ธรรมชาติมันสอนเราไงเหตุการณ์มันสอนเรารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑมันสอนเราเวทนาสัญญาสังขารมันสอนเราอเหมือนค้อนปอนทุบตีเหล็กที่ร้อนเวลาเรามีโอกาสเนี่ถือว่าเป็นเหล็กที่ร้อนแต่ถ้าคนที่ไม่มีโอกาสก็เหมือนเหล็กที่เย็นไม่มีถึงตีก็ไม่มีประโยชน์อะไร อ, อย่างเงี้ยธรรมชาติมันทุบตีเราโอกาสอย่างนี้น้อย อ, อย่างอยเราเห็นมิติต่างๆเห็นมุมต่างๆในกองสังขารในความทุกข์ในปรากฏการณ์ เรียนเยอะๆน่ะคนไม่เรียนก็ไม่รู้อะไรคนไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าคอร์สไม่อะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรคนมหัดร้องเพลงก็ไม่ร้องไม่เป็นนะไม่ใช่ว่าจะไปร้องเป็นนะโอ้โหเอื้อนเสียงเอื้อนเสียงเพลงฮิปฮอปเพลงลูกทุ่งลุกกงหนิวลองไม่ได้นะเห็นเขาร้องรู้รู้หุดฟังเป็นหมดแต่มันร้องไม่ได้นะนกมันยังหัดร้องเลยอินทรีย์ยังหัดร่อนเลยหัดกินหัดใช้ชีวิตไอ เรานับเข้าบรราก็เหมือนกันก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันอย่างเงี้ยเพว่ามันทรมานไปมันไม่ดีหรอกมันไปอย่างนั้นทรมานตนัวใครมีตัวตนไปรับเพราะเป็นผู้ทรมานถ้าไม่เลัตาตัวตนถ้าเรามาด้วยความสงบเงียบยอมรับความจรงิงมันก็ไม่ทรมานอะไรมันก็ธรรมชาติถ้าเราสูงอย่างงี้เข้มแข็งไปเจอเรื่องอะไรหรือข้างหน้าใครอยากประกันได้อะไรเงี้ยถ้าเราติดสบายละเกิดวันหนึ่งภยัยพิบากหรือว่าทุกมาหรือว่าอะไรมาใครอยามาช่วยเรา อก็มีแต่เราช่วยเราเมื่อวนนี้มันได้ผลกับเราหมดนะอย่างน้อยทาให้เรามีใจเป็นกลางต่อของทุกใครจะรับประกันว่าทุกจะไม่เกิดขึ้นไม่ไหวทุกวันก็มีแต่ทุกใช่ไหมทุกอย่างมันก็เป็นเป็นทุกหมดเป็นปรากฏการเป็นสังขารเป็นธรรมหมดที่เกิดดับแปลเปลีป่ยนไปตามสภาพมัถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ฝึกไม่ซ้อมมันก็พอเจอขึ้นมาก็าเกิดขึ้นมาเรารับไม่ได้ไงไม่เสียหายแน่นอนธรรมชาติก็ หยิบยื่นให้ความหนาวเหน็บนี่ไม่ต้องซื้ อ, อที่บ้านต้องเสียค่าไฟนะ <c oughs> ปีนหน้าผาไม่มีใครให้ไหลงไ่ง่ายง่ายอ่ะอันนี้คนโรยเชือกก็ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ <c oughs> จ้างเออต้องเียจ้งจงยางเดี๋ยวนี้ก็มีรับจ้างเ อ, อ, อนปีนผ า, า, าอะไรมากบายใช่ไหมเออครับคอ์สอันนี้มันโหมันเอาเอาใจใส่กัน่ะ คุณก็มาด้วยใจเราก็ช่วยกันด้วยใจอ่ะช่วยกันด้วยใจอ่ะอฝึกฝนกันนะอันมีพวกนักมวยอ่ะฝึกซ้อมป่ามันน้อยลงไปเรื่อยๆสนามทดสอบของพาทุดดงก็จะน้อยลงบางที่เขาก็มีเจ้าของหมดทุกวันนี่ป่ามันจะทําให้เขตอวัยานเขตสมทานเขตอป่าไม้นี่ไม่ใช่ไปเข้าไปง่ายนะ ออย่างนี้เราผิดนั่นจริงๆแล้วเนี่ย mm. เขาไม่เข้ามาถ้าเขารู้อ่ะอันนี้เราเป็นคนที่อยู่ในวิถีนี่เราก็ต้องยืนยันในวิถีเราเราก็ต้องมาเราก็ต้องยืนยันว่าเราเป็นอย่างนี้อ <c oughs> คุณเป็นคุณเป็นอย่างนั้นคุณทําหน้าที่คุณเราก็ทําหน้าที่ของเรา <c oughs> เราถึงได้มาขึ้นทางป่าทางเขาแบบวิถีดั้งเดิมไงเตี้ยบถีแบบไม้ก็ไม่มีแต่ว่าเนื่องจากต่อมาก็บ้านเมืองมันจเจริญเาก็เลย มองว่าเป็นเขตป่าไม้แล้วตั้งเจ้าที่หน่วยงานเจ้าที่ขึ้นมาดูแลรักษาเพื่อไม่ให้คนมาจุดไฟเผ า, าป่าล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นะ<ช>เพื่อให้เราเห็นรักษาต้นไม้ลํำธารสายนา<ช>้ําอะไรมันเกิดขึ้นส ม, ส ม, สมดุลกันธรรมชาตินะก็ๆๆ <c oughs> เป็นเหตุเป็นใจนั่นแหละลาต่างๆ น, นั่นก็ธรรมชาติ็ธรรมดา <c oughs> เทามาได้เขามาเขาไม่ให้มาเขาไม่เป็นไรบางที่ไปไม่ได้เลยเวลาเรามาทุดดวงอย่างอุก็ดึงเจ้าที่ต้องไปดูแลด้วย ไปกบด้เข้าป่าปิดนี่แต่ก่อนอาจารย์เด <c oughs> ินอิสระร้องเพลงเ <c oughs> ต้นลัมไ ป, ไปอยากพักตรงไหนพักอยากคุยกับหมาป่าตรงไหนก็ได้อยากดูช้างตรงไหนก็อยู่ได้ในเขตป่าปิดปูกกระดึง <c oughs> ไปคนเดียวก็ได้ไปไหลายคนก็ได้ไม่มีคนนาทางก็ไปคนเดียวทุ ด, ดงไปรอบภูกระดึง <c oughs> ไปกี่วันก็ได้ทุกวันนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่พื้นืนตามหลังไว้ด้วย <c oughs> เพราะว่าช่วงหลังๆสิบกว่าปีมานี้ <c oughs> บ้านเมืองมันจเจริญ น, นักท่องเที่ยวก็เพิ่พจมจํานวนจาก วละยี่สิามสิบกลายเป็นวันละ2อ0 0ันสาอย่างนี้นะพอนั่งเที่ยวมาเดินแล้วหลายพันเช้ามันก็ตกตกใจเจอกันการตอนเช้าแต่ก่อนเนี่ยต่างคนต่างไปอาจารย์ก็หยุดยืนมันก็เดินไปตามทางของเขาเราก็แค่ยืนอยู่เฉยรอมันจินข้างๆดราก็โคบ้าวว่าก็เดินไปเราก็ยืนอยู่เฉยมันก็ผ่านเรเองทุกวันจะเจอกันไม่ได้ไล่แยบเกลียวกันเลยเจอมันก็สายไฟใส่มันร้องใส่มันตบมือใส่มันร้องตะโกนเนี่ยนักเที่ยวไปรู้เรื่องนะมันก็สร้างนิสัยทะเลาะกันไงอ กลายเป็นว่าเห็นกันไม่ได้ยี่ผีดแกกันเลยเหมือนที่นี่มันกันช้างตายแต่ความไม่ดูไม่เป็นอย่างนี้นะอืมเห็นกันก็ไปคุยด้วยกันได้นั่งอยู่ใกล้กันหาเมตรอย่างนี้ได้เลยนี่กินตึ้งตั้งตึ้งตั้งยี่สบยี่บเชือกนู่นน่ะยี่สบสองยี่บามเชือกนู่นน่ะตึ้งตั้งนึ่งตัวก็เราเรียนรู้เราเราก็นั่งอยู่แต่ยาวใจเพื่อซื้อเสื้อผ้าสีสุดชัด้วนะทุกวันนี้ไม่ได้ไม่เห็นกันนะอืมันเคยทะเลาะกันไง เลาับชาวบ้านชาวอะไรชาวปลูกลองปลูกไร่ปืนมันยิงมันขับรถไส่อะไรสร้างนิสัยกันที่มาใหม่ไงทีนนี้พอเห็นคนก็ไล่กันเลยทีนี้นเราพาหมูกมันหน้าใหม่ยังไงมันก็มีผลกระทบมันต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันจริงๆทำไมกี่คนจะกำลังเรียนอาจารย์ไม่เกินเจ็ดคน แต่จริงๆแล้ว10คนก็ได้20คนน่ต้องต้องต้องอ่านกติกากันเลยห้ามพูดช่วงนี้ห้ามคุยกันเสียงดังอะไรหลายอย่างห้ามทำงั้นห้ามทางนี้มันเหมือนกติกาชัดเจนแล้วถ้าเข้าใจกติกาแล้วทำตามได้นี้ง่ายเลยอันนี้เราแบบบางท่างอยลุกทุ่งไง แต่อาจารย์ก็คือไม่ได้วางกติกาไงคือแบบดูแลแบบพี่แบบน้องแบบลูกทุ่งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแบบลูกทุ่งกทุให้เรียนรู้บ้างไม่เรียนรู้บ้างไม่ให้ซีเรียสแต่ขนาดนี้ก็ยังพาเดินหนักเลยเนี่ยโดยไม่สนใจไม่ไม่ไม่แคร์ว่าใครจะเมื่อยจะ จะสนใจมาศึกษาทรมาแบบนี้หรือเปล่าไม่สนใจอาจารย์ก็สนใจก็มีหลายรุ่นทามาเป็นโอ้ตั้งแต่เจ็ดปดปีแล้วอ่ะมารุ่น 20-30 งยี่สิบสาสิบึงเงี้ยแต่คนก็มาเจ็ดปดครั้งก็หายไปสองครั้งก็หายไปครั้งเดียวก็หายไปมันก็หนักจริงนะถ้าไม่แน่จริงก็มากับอาจารย์ไม่ได้คัดคนไปในตัวความลำบาก อันนี้เพราะว่าการจัดถ้าเป็นระเบียบกระทั่งแยกเดียวแยกเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตั้งทัพอย่างเงี้คุยกันไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้อะไรเงี้ยตอไ ฟ, ไฟไม่ได้อะไรเงี้ยแลมีกติกาเยอะแยะเลยแล้วก็อันนั้นก็ข้อมูลข่าวสารเรื่องเราลันมาเยอะเลยเราก็เหมือนกับเรียนเลยเอ่ะมันก็จะได้ข้อมูลสดของทแท้จ า, จากประสบการณ์จริงมันก็จะมีข้อมูลมากทีเดียวแล้วก็เป็นปดีไซเกิลเป็นปัญญาได้เราก็ร่วงรู้ความลับมิติต่างๆของ ฝากฏการฝากกฏขอประสบการณ์ได้นั่นแหละนั่นแหละเขาจับอะถูกแล้วล่ะแล้วก็เทมันแหละยกเทไม่ใช่จับจับให้นั่นจับให้มั่นดีนะเอาเสื้อแขนยามาตัวนี้ นึกยังไงยังมาศึกษาธรรมะอ๋อทุกข์มากันทุกข์ยังไงมันทุกข์มากเลยกลางนที่เรานอนเตียด่ะนอนเตียได้ไม่ใช่เลยนอนเลยนะแต่วนอนเตี้ยๆอย่างเงี้ยนเตีอ๋อตรงนี้ก็ได้แถวนี้ สมมตว่าถ้านอนแบบเราไม่ได้นอนบนอ๋อได้ได้ได้ไอหินพวกนี้กัดช้างไม่ได้ได้คือเจ้าพี่แต่ที่นี้การดูเหตุปัจจัยแล้วช้างก็ไม่น่าจะขึ้นมาหญ้าก็ไม่มีสักเส้นแล้วแถมมีกองกองไฟก็ไม่น่าจะมารบกวนกันขนาดนั้นไงมันไม่ใช่เป็นช้างเอแบบตกมันหรืออะไรนะไม่รู้อ่อนอะไรเงี้ยลูกมาเห็นไฟก็เล่นเหมือนกันนะเดินมาปะคนแม่ก็เหยียบคนอย่างงี้นะะ เราก็นอนแบบไว้วางใจภาษาธารดีจิตใามันไม่มีช้างไม่น่าจะมาอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามเตือนเผือไว้หน่อยยังก็ป้องกันไม่ได้นะคาถาก็ไม่มีป้องกันให้หน่อยแต่ก็แค่ว่ามองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเหมือนอย่างที่เราลงเยร์คูยองคูเนี่ยไม่คิดว่าจะมีเจอหมีนะบางคนบางคนใช่ไหมก็สังเาตก็เจอไงไม่คิดนะไม่คาดคิดนะะก็เห็นกันเน่ยแบบเดินออกหน้าอาจารย์ไปแป๊บ น่ามาทาไว่าขามีเจอนี่ก็ตอนเข้ามาน่ยจะรู้พร้อมกันนั่นแหละพี่วางเดี๋ยวโดนมือพี่ที่แรกเลยาที่เขาหลงป่าเฉยลงบ่าทั้งอื่นก็ให้ลุงเขาไปยิงปืนหาไงเป็นช่วยเลยอันหวาน